แนวปฏิบัติในสติปัฏฐานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครั้งที่หนึ่งตอนกรรมฐานคำว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานหมายความว่าเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตใจโดยปกติ ใจิตใจของทุกๆคนยอมคิดไปต่างๆคิดไปในเรื่องโน้นบ้างในเรื่องนี้บ้างและเรื่องที่คิดนั้นก็เป็นเรื่องที่จะชักนำให้เกิดราคะคือความติดความยินดีหรือโลภะคือความอยากได้บ้างให้เกิดโทสะคือความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างให้เกิดโมหะคือความลุ่มหลงบ้าง ฉะนั้นจิตใจจึงประกอบด้วยราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตามเรื่องที่คิดไปนั้นๆจิตใจจึงผูกพันหุ้มห่ออยู่ด้วยเรื่องต่างๆและผูกพันหุ้มห่ออยู่ด้วยราคะหรือโลภะโทสะโมหะเป็นอาจินจึงเป็นจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมัน่น เหมือนอย่างน้ำในทะเลที่เป็นคลื่นอยู่เสมอหาเวลาที่จะสงบได้ยากอีกประการหนึ่งเมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยรักคะหรือโลภะโทสะโมหะดังกล่าวนั้นก็เป็นจิตใจที่ลำเอียงไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงจะสันนิษฐานอะไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่ได้กล่าวคือ เมื่อจิตใจมีราคะหรือโลภะอันเป็นกิเลสข้างให้ติดให้ยินดีให้อยากได้เป็นไปในฝ่ายที่ชอบเมื่อชอบในสิ่งใดแล้วก็ย่อมลำเอียงไปในสิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นหรือว่าดีโดยมากสุดว่าจะชอบมากหรือชอบน้อยถ้าชอบที่สุดก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นดีที่สุด ถ้าชอบมากก็จะต้องเห็นสิ่งนั้นดีมากถ้าชอบน้อยก็จะเห็นสิ่งนั้นว่าดีน้อยตามแต่ชอบเมื่อจิตใจลำเอียงไปเช่นนี้ความสันนิษฐานของใจก็จะต้องสันนิษฐานว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ดีถึงสิ่งนั้นจะเป็นของที่ไม่ดีแต่ก็เห็นว่าดีเพราะจิตใจมีความลำเอียงไปข้างชอบเสียแล้วอีกทางหนึ่ง ถ้าจิตประกอบด้วยโทสะอันเป็นข้างไม่ชอบหรือว่าข้างชังก็ยอมจะลำเอียงไปทางนั้นถ้าชังที่สุดก็จะต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีที่สุดถ้าชังมากก็จะเห็นสิ่งนั้นไม่ดีมากถ้าชังน้อยก็จะต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีน้อยตามแต่จะลำเอียงไปในทางชังอย่างไร ถ้าจิตใจประกอบไปด้วยโมหะคือความลุ่มหลงก็ยิ่งจะไม่เห็นความจริงในสิ่งนั้นเหมือนอย่างมีตาอันมืดมัวมองไม่ชัดไม่อาจสันนิฐานลงไปให้ถูกต้องได้ถ้าจะสันนิฐานลงไปก็จะสันนิฐานผิดจากความเป็นจริงเพราะว่าจิตใจมืดมัวอยู่ด้วยอํานาจของโมหะคือความหลงเสียแล้วเพราะฉะนั้นราคะหรือโลภะ โทษะโมหะนอกจากจะทำจิตใจไม่ให้สงบไม่ตั้งมั่นแล้วยังบังปัญญาทำให้ไม่เกิดปัญญาคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงแสดงกรรมฐานคือที่ตั้งของการงานทางใจไว้สองอย่างคือสมถกรรมฐานแปลว่า ที่ตั้งของการงานทางใจซึ่งจะทำใจให้เป็นสมถะคือให้สงบวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานทางใจอันจะทำให้ใจเกิดเป็นวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงสมถะกรรมฐานนั้นเป็นประการแรกเพราะจะต้องทำใจให้สงบจากราคะหรือโลภะ โทสะโมหะที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่เสียก่อนเพื่อให้จิตใจปลอดโปรง่งหลุดพ้นจากเครื่องหุ้มหอ่อที่มีอยู่อย่างหนาแน่นต่อจากนั้นจึงดำเนินในวิปัสสนากรรมฐานคือเมื่อจิตใจปลอดโปรง่งหลุดพ้นจากกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่อย่างมากมายก็จะเป็นจิตใจที่สิ้นความลำเอียงดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อจิตใจสิ้นความลำเอียงจะพินิษพิจารณาดูอะไรก็จะเห็นแจ่มแจ้งตามเหตุผลตามความเป็นจริงซึ่งเป็นขั้นวิปั ส, สนาต่อไปตอนสรณะนะในการที่จะปฏิบัติในกรรมฐานทั้งสองนี้เบื้องต้นก็จำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งของจิตใจ และจะต้องมีที่ตั้งเหมือนอย่างเป็นพื้นแผ่นดินสําหรับเหยียบที่พึ่งของจิตใจนี้ก็คือพระรัตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเบื้องต้นก็ให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริงการที่จะถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริงได้นั้นก็จะต้องระลึกรู้พระคุณของท่านตั้งพระคุณของท่านไว้เป็นเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ตรัสรู้จริงพระธรรมนั้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้จริงพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมจนบรรลุผลได้จริง การที่จะมีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งกล่าวนี้อย่างแท้จริงก็จาเป็นที่จะต้องมีความรู้ซาบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมานั้นเป็นข้อชี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ร้อนได้จริงไม่มีข้อที่จะเคลือบแคลงสงสยัย เมื่อมีความรู้ทราบซึ้งในพระธรรมเท่าใดก็ยิ่งจะมีความรู้ทราบซึ้งในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระคือที่พึ่งสำหรับใจโดยแท้จริงไม่มีข้อที่จะเคลือบแคลงสงสัยการมีสาระดังกล่าวนี้เป็นปุพพาคคือเป็นส่วนเบื้องต้น ของการปฏิบัติในกรรมฐานเป็นประการแรกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสาระคือที่พึ่งของจิตใจตั้งความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยไม่คลอนแคลนมีความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติของตนโดยเฉพาะก็คือ ในกรรมฐานที่ตั้งใจปฏิบัติอยู่นี้ว่าเป็นทางปฏิบัติที่จะเป็นทางให้เกิดความสงบให้เกิดปัญญาเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงตอนศีลต่อจากนี้ก็ให้มีที่ตั้งซึ่งเหมือนอย่างเป็นพื้นแผ่นดินของจิตใจได้แก่ศีลศีล น, นี้โดยตรงได้แก่ ความที่มีจิตเป็นปกติเรียบร้อยไม่ถูกกิเลสอะไรฉุดชักไปที่จะให้เกิดเจตนาคือความจงใจจะทำหรือจะพูดในทางที่ผิดต่างๆแมในเวลาอื่นอาจจะรักษาความปกติเรียบร้อยของจิตใจไว้ไม่ได้อันเกี่ยวด้วยธุรกิจที่จะต้องประกอบกระทาต่างๆแต่ในเวลาที่เข้าสู่ที่ปฏิบัต ก็ให้ตั้งใจให้มีวิรัติเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นขึ้นว่าจะไม่ประพฤติล่วงละเมิดในทางที่ผิดต่างๆเป็นต้นว่าจะไม่ประพฤติล่วงละเมิดในสินห้าโดยเฉพาะก็ในเวลานี้รักษาจิตใจนี้ไว้ให้เป็นปกติให้เรียบร้อยไม่ให้ถูกฉุดชักไปในทางผิด ในทางเสียต่างๆเมื่อรักษาจิตใจให้เป็นปกติเรียบร้อยดังนี้ได้ก็ชื่อว่าเป็นศีลเป็นศีลอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นศีลอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เท่ากับว่ามีแผ่นดินซึ่งเป็นภาคพื้นเป็นที่ตั้งของจิตใจเมื่อจิตใจมีแผ่นดินคือศีลเป็นภาคพื้นอยู่ดังนี้ พร้อมทั้งมีสรระคือที่พึ่งในอันที่จะป้องกันมารต่างๆซึ่งจะมาทำลายการปฏิบัติก็เป็นโอกาสคือเป็นช่องที่จะปฏิบัติในกรรมฐานดังกล่าวนั้นสืบต่อไป